ทรงห้ามใช้บาทที่ทำด้วยทองเงินแก้วมณีแก้วไผ่ทูนแก้วผลึกสำริดแก้วหูงดีบุกสังกะสีทองแดงรวมเป็นสิบเอ็ดทั้งบาทไม้ทรงอนุญาตบาทสองชนิดคือบาทเหล็กและบาทดินทรงอนุญาตให้ใช้เชิงบาทเพื่อกันก้นบาทเสียดสีแต่ไม่อนุญาตเชิงบาทที่ทำด้วยทองเงิน หรือวิจิตงดงามส่งอนุญาตที่ทำด้วยดีบุกหรือสังกสีทรงห้ามเก็บบาด ท, ทั้งที่ยังเปียกน้ำส่งอนุญาตให้ตากแดดหรือเช็ดให้หมดน้ำแล้วจึงเก็บบาดส่งห้ามเก็บบาดไว้กลางแดดส่งอนุญาตให้ตากไว้กลางแดดครู่หนึ่งแล้วจึงเก็บส่งอนุญาตที่รองบาดเพื่อกันบาดถูกลมพัดกลิ้งไปแตก ทรงห้ามเก็บบาทบนพนักบนพรึงคือชานนอนพนักทรงอนุ ญ, ญาตเครื่องรองบาทเวลาคว่ำบาทเพื่อไม่ให้ปากบาทครูดกับพื้นสําหรับเครื่องรองบาทอนุญาตเป็นเครื่องรองย่าหรือผ้าก็ได้ทรงอนุญาตชั้นเก็บบาทเพื่อกันปลวกขึ้นผ้าหรือเสือที่รองบาททรงอนุญาตภาชนะปากกว้างสําหรับวางบาท เพื่อการบาทปลิ้งลงมาจากชั้นทรงอนุญาตถุงบาทเพื่อการไม่ให้ก้นบาทครูดกับภาชนะสาหรับเก็บทรงห้ามแขวนบาทไว้กับสิ่งที่ยื่นออกมาจากข้างฝาเช่นลูกประสาททรงห้ามเก็บบาทไว้บนเตียงบนตังบนตักบนร่มเพื่อการตกแตกอันหนึ่ง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 โดยให้เจิมห้านิ้วไว้ที่บานประตูท่งอนุ ญ, ญาตให้รับดอกไม้ได้แต่ให้เก็บไว้ข้างหนึ่งในวิหารท่งอนุ ญ, ญาตผ้าปูนั่งที่ถอด้วยขนสัตว์และไม่ต้องอธิษฐานคือตั้งใจเอาไว้ใช้หรือวิกับคือทำให้เป็นสองเจ้าของทรงห้ามฉันอาหารในลุงคือภาชนะใส่อาหารที่ทำด้วยทองแดงหรือเงิน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 บตดนี้สงได้ความบาดไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้ววัฏทะลิชวีเสียใจถึงสลบมิตรอมมาดญาสาโลหิตจึงแนะนำให้ไปกราบทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งวัทธลิฉวีได้ปฏิบัติตามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าวัฏทธลิฉวีสานึกตนยอมรับผิดจึงตรัสแนะให้สงประกาศายบาตร โดยให้วัฒลิชวีเข้าไปกราบสงฆ์ขอให้งางบาทแล้วให้สงฆ์สวดประกาศงางบาทสสำหรับข้อนี้การคว่มบาทคือไม่ยอมรับอาหารจากผู้นั้นไม่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วยดูไม่น่ากระทบกระเทินอะไรแต่เหตุชนไหนจึงเสียใจถึงสลบเห็นได้ว่าเป็นการเสื่อมเสียทางสังคมอย่างร้ายแรงวัฒลิฉวีจึงรีบแก้ไข อย่างไม่มีทิฏฐิมานะต่อไปอีกเรื่องผ้าขาวที่ไม่ให้เหยียบและเหยียบได้โพธิราชกุมารฉลองประสาทนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงไปฉันส่งให้ปูผ้าขาวไว้ตลอดจนถึงชาญบันไดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบมีเกล็ดเล่า ว, ว่า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 ครั้งแรกส่งห้ามภิกษุไม่ให้ใช้ไม้คานสาหร่นํนำของไปในที่ต่างๆต่อมามีภิกษุป่วยไขย้ต้องการใช้ไม้คานคอนของไปก็ส่งอนุญาตโดยให้สงสวดประกาศสมมุติให้เป็นพิเศษต่อมาอีกมีภิกษุป่วยไขย้ต้องการใช้สาหร่สํสำหรับหิ้วบาทไปก็ส่งอนุญาตโดยให้สงประกาศสมมุติให้เป็นพิเศษ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 อิกสุผู้ไว้เล็บยาวต้องอาบาัดทุกกฎและทรงอนุญาตมีตัดเล็บให้ตัดพอเสมอเนื้อทรงห้ามขัดเล็บให้เกลี้ยกล่วทั้งยี่สิบนิ้วความหมายคือเพื่อความสวยงามทรงปรับอาบัดทุกกฎการนำมูลเล็บหรือขี้เล็บออกทรงอนุญาตเรื่องผมและหนวดเครา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 แต่ไม่อนุญาตที่ทำด้วยทองเงินส่งอนุญาตเครื่องแค่หูที่ทำด้วยกระดูกงาเขาสัตว์เป็นต้นส่งห้ามสะสมเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะและสําฤธิและปรับอาบัติทุกกดเมื่อล่วงละเมิดส่งอนุญาตลอกหรือฝากยาตาไม้ป้ายยาตาไม้แค่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 ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตทานองพระเวทของพราหมณ์แต่มีทางสนิฐานว่าห้ามแต่งพ้อยคาของพระพุทธเจ้าเป็นคาฉันเพราะอาจทาให้ความหมายเดิมผิดเพี้ยนหรือบิดผันไปตามบังคับหนักเบาของคำฉันยิ่งถ้าผู้แต่งไม่แตกฉันในภาษาเพียงพอก็จะเป็นการทำร้ายพุทธวจนะทำให้เนื้อความแปรปวนไป